จะได้อะไรดีๆเนี่ยทุกครั้งที่จะได้อะไรดีๆเนี่ยตอนที่ไม่ได้คิดว่าจะได้อย่างพวกเราภาวนาเรารู้สึกไหมบางวันเรารู้สึกว่าอีกนิดเดียวอีกนิดหนึ่งก็ถึงละอีกนิดหนึ่งก็ถึงแล้วแล้วมันก็เสื่อมไปแตบางวันก็เหมือนภาวนามไม่เป็นเลยเราก็ยิ่งดิ้นใหญ่ทำไงจะเจริญลูกเดียวไม่เสื่อมเลย กลับในที่ใจอย่างคิดจะทํานะมันทําไม่ได้แต่อาศัยความอยากจะทนะําเนี่ยใจที่เล่าร้อนอยากบรรลุมรรคผลนิพพานอยากพ้นทุกข์อาศัยสิ่งนี้แหละเป็นแรงผลักดันให้เรามาเจริญสติทีแรกมันก็มีตัณหาก่อนอยากบรรลุมรรคผลนิพพานมีขึ้นมาก่อนมีอย่างนี้ทุกคนนะ่ะภาวนามไม่มีหรอกไม่อยากได้มรรคผลนิพพาน ก็อยากได้แต่อาศัยความอยากได้บ้างผล น, นิพพานเนี่ยมาหัดเจริญสติเข้านงะเจริญสติไปเรื่อยๆถึงจุดที่ปัญญามันพอมันก็ได้ ต, ตอนจะได้นะมันไม่ได้อยากละหมดอยากยังอยากอยู่ก็ยังปรุงแต่งอยู่อาศัยความปรุงแต่งนั้นแหละมาพักเพียร น, นะพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆ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 เป็นมโนสัญญะเจตนาไม่ต้องจําชื่อมันก็ได้นะ้คนไหนเรียนอรพิธรรมมาว่าตัวนี้คือมโนสัญญาเจตนามันจงใจมโนสัญญะเจตนาเนี่ยเป็นปัจจัยให้จิตเกิดการกระทํากรรมเพราะฉน้นพี่พวกเราหัดมีสติเรื่อยๆแล้วเจือด้วยความจงใจไปเรื่อยเราก็ทําทกรรมนะแต่กรรมนี้เรียกว่ากรรมฐานะ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 แฟบลงแฟบลงแล้วก็เริ่มเรียกร้องความสนใจเช่นทำนั่งหงิกนั่งงอเพราะไม่มีคนสนใจแล้ <c oughs> าโมโหแล้วเรียกร้องความสนใจถ้าไมกระทั่งหมาอย่างเรียกร้องความสนใจเลยเพราะหมาก็ต้องการประกาศอัตตานะมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนะก็อยากประกาศอัตตาทนนัน่เพราะอะไรเพราะไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่หรอกว่าจะมีอัตตาได้เท่าไหร่อย่างแต่ละคนใช่ไม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 คือประกาศอัตราเนเองฉันมันแน่เว้ยฉันมีของดีๆใช้อนะไรนี่ประกาศอัตราก็เพราะว่ามันเห็นผิดว่ามีตัวเราก็เลยต้องหาอะไรต่ออะไรมาพอกผูนเข้าไปเยอะเป็นภาระมากก็สร้างความทุกข์ให้เยอะนะเพ้นเราได้รับความทุกข์แยะเลยอย่างทุกวันเนี้ยต้องดิ้นรนหาเงินเยอะๆนะเพื่อมารักษาอาตาัตรา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 แล้วเก็บลูกมานะมาผสมมาบดนะวันหนึง่งจะได้พระวิเศษจะเสกให้ไอ้นี่นะปลูกต้นไม้สารพัดเลยใช่ปลูกไปเยอะเลยมันมีกินทุกวันเลยแถวนี้มันไม่ต้องซื้อละมีกินทุกวันเลยนะส่วนไหนกินไม่หมดก็ขายไขายได้ทีละนิดนิดอย่าไหนได้เงินเงินก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แลเพราะมันมีกิน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 ทั้งๆ ท, ที่แก่ทั้งที่เหี่ยวขนาดนี้แล้วนะ เ, ออ เ, ออ เ, ออเสร็จถีมก็มันก็อย่างเงี้ยโอ้มีความสุขสู้เราไม่ได้อะอ้าวไปทานข้าวนะนี่หมดเลยครับ